เป็นนั้นว่าท่านมหาเศรษฐีเมื่อเห็นว่าการให้ทรัพย์เพียงเท่านี้ไม่เป็นที่พอใจของคนรับใช้คือธนภาระนี้กล่าวตอบไปว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันนี่ขอขึ้นราคาให้เป็นพิเศษให้เธอ 1,000 กหาปณะ แม้ก็ขอให้เธอให้บุญกุศลเคยเป็นนําบาทชายในความดีคือบุญกุศลนั่นแก่ฉันฝ่ายธนภาระอนันตคุณนั้นก็ไม่ยอมให้แม้แต่ทรัพย์ตั้ง 1,000 ความจริง 1,000 สมัยนั้นเท่ากับ 1,000 ตําลึงซึ่งถอยหลังไปจากนี้ประมาณ 40 ปีลำดับนั้นมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญ เพราะนั้นจงยกไว้เถิดถ้าเจ้าไม่ให้เป็นบาตรก็จงถือเอาทรัพย์พันหนึ่งนี้แล้วให้ส่วนบุญกับฉันเถิดนี่เป็นอันว่าในเมื่อไม่มีโอกาสที่จะได้รับเอ่อได้รับบุญทั้งหมดก็ขอให้มีโอกาสได้รับผลส่วนบุญที่เขาจะปรุงได้เป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีหมดท่าที่จะใช้วิธีอื่นเมื่อ พูดยังไงเค้าไม่ยอมให้ทั้งหมดก็ขอให้เค้าแบ่งส่วนบุญบ้างอันนี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูว่านายอนัภาระจึงได้กล่าวว่าเดี๋ยวก่อนครับนายเรื่องการขอโมทนาและแบ่งส่วนบุญนี้จะมีผลเป็นประการใดอันนี้เดี๋ยวก่อนรอก่อนนะครับเกล้าผมจะต้องไปปรึกษากับพระผู้เป็นเจ้าดูซะก่อน เมื่อพระผู้เป็นเจ้าว่ายังไงผมจะกลับมาใหม่จะโมจะขอแบ่ง ศon บุญได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยตกลงกันข้อข้อนี้ผมไม่ได้เคยศึกษาไว้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีเปินอันว่าเค้ากล่าวอย่างนั้นก็ท่านมาหาเศรษฐีแล้วก็ได้รีบไปเพราะเวลานั้นพระบัจเจกับพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ไปไกล แต่ความจริงอาตมาคิดว่าพระบัจเจกับพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเรื่องเบื้องหลังจากการถวายบิณฑบาตแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะตามธรรมดาเมื่อได้ทานรับบิณฑบาตแล้วทุกท่านก็ห่อกลับไปสู่พวกเขาคันธมาตแต่นี้พระบัจเจพระพุทธเจ้ายังรีรออยู่เป็นเรื่องน่าเสียดายให้อาตมาคิดเอง เมื่อเขารีบไปทันพระบะเจกพระพุทธเจ้าและจึงเรียนถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับท่านสุมนะมหาเศรษฐีซึ่งเป็นนายของกระผมท่านให้ทรัพย์กับผมแล 1,000 แล้วขอส่วนบุญในการที่ถวายบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้าเมื่อท่านต้องการอย่างนี้กระผมจะทําประการใดดีขอรับพระบะเจกพระพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังคําของท่านอนัปพาระท่านได้นําข้อความเปรียบเทียบในการแผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่บุคคลอื่นหมายความว่าบุญใดที่เราทําแล้วให้บุคคลอื่นโมทนาเพื่อท่านให้ให้ท่านอนัปพาระผู้มีจิตศรัทธากล้าได้รับฟังดังนี้ได้กล่าวว่าท่านผู้เป็นบัณฑิต <c oughs> สมมุติว่ารายที่ในเรือนหลังหนึ่งหรือว่าในบ้านหลังหนึ่งหรือในหรือว่าในร้อยตระกูลเพิ่งมีที่เค้าจุดไว้ดีแล้วลุกโพรงมีแสงสว่างสําหรับคนอื่นนอกจากนั้นถ้าจะเอาน้ํามันของตนชุบใส่แล้วก็ไม่พอว่าทําครบหรือทําได้เกียงกระจุกก็ขอต่อจุดไฟจากดวงนั้นๆจากดวงนั้น เอาไปคนละดวง 2 ดวง 3 ดวง 4 ดวงแสงสว่างของดุภาทิพย์ดวงเดิมอันนั้นจะหมดไปหรือว่ายังมีอยู่พันนณภาระก็ตอบว่าถึงแม้ว่าเขาจะต่อไปกี่แสนดวงก็ตามครับดวงเดิมก็ยังมีแสงสว่างอยู่พระวิจัยกับพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดต่อยว่าก็เหมือนก็นี่ก็เหมือนกัน การที่เจ้านายของท่านจะโมทนาส่วนกุศลด้วยแต่ท่านผู้เป็นบัณฑิตจะเป็นข้าวยาครูถ้วยหนึ่งก็ดีหรือว่าข้าวธรรมดาเนี่ยสักทีนึงก็ตามเมื่อบุคคลให้ส่วนบุญในวิมัยของตนแก่บุคคลอื่นนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าข้าวทั้งหมดแต่คนเหล่าหลายที่อยากใส่ข้าวต้ม สักทะบอยนึงก็ดีเข้าสวยสัตพีนึงก็ดีแล้วเมื่อในเมื่อคนอื่นเขาขอโมทนาแล้วก็บอกให้เขาโมทนาด้วยถ้าคนนั้นโมทนาอยู่จะให้แก่คนประมาณเท่าใดก็ได้ใครๆมาโมทนาก็ให้เขาโมทนาได้เพราะว่าบุญทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะฟืนสลายตัวไปไม่มีการหมดไม่มีการลดไป บุญเหล่านั้นจะถึงกับบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้นทําให้เขามีความสุขก็เมื่อท่านได้ให้บิณฑบาตส่วนหนึ่งเท่านั้นหมายความว่าก็หมายผ้าเราได้ให้บุญทุนหนึ่งเข้าไปเท่านั้นเราไม่ได้ให้ไปทั้งหมดแต่ผลที่เราจะเพลิงได้ก็ยังมีผลเต็ม 100% เหมือนกับดวงแดกเกียงที่เราจุดไว้มีคนอื่นคําว่าต่อจากแสงไฟ แต่ปร 5 ของเราไปต่อจุดแค่ 100 ดวงพันดวงและแสนดวงไฟดวงแดงก็ไม่ได้ลดลงไปแต่แสงสว่างมันจะมากขึ้นช่วยกันสว่างเมื่อได้ทันให้ส่วนบุญกระทมหาเศรษฐีผลบุญของบุญนี้ก็ท่านไม่ได้ลดไปท่านมหาเศรษฐีก็ได้ด้วยก็เป็นอันว่าชื่อว่าผลของบุญก็แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือท่านได้เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์นี้ส่วนหนึ่ง นะมหาเศรษฐีก็ได้ด้วยเป็นอันว่าเขามีความเข้าใจว่าการที่ท่านมหาเศรษฐีจะขอโมทนาบุญด้วยนิสัยไม่สามารถจะทําบุญได้เขาหมดไปแต่ท่านว่ารักว่าท่านมหาเศรษฐีก็มีส่วนได้ด้วยเขาจึงรับคําว่าดีแล้วครับท่านผู้เจริญแล้วก็ลาพระประเจวุทธเจ้าก็ยกมือแล้วไหว้ด้วยความเคารพแล้วก็ลาไป ไปสู่สำนักของมหาเศรษฐีก็กล่าวว่านายก็รับขอท่านจงรับเอาส่วนบุญนี้เถิดผมไม่ถามอาจารย์แล้วท่านบอกว่าไม่เป็นไรบุญกุศลที่ผมได้ผมก็ได้เต็มที่ถ้าส่วนที่นายโมทนานายก็ได้ด้วยครับเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นขอจงรับเอากถาวนนี้ไป พระนภระจึงกล่าวว่าผมไม่ได้มาขายผลบุญนะครับบุญนี้เค้าถมทํานี้ผมให้ท่านโมทนาด้วยความเต็มใจก็ผมไม่ต้องการขายส่วนบุญก็ผมให้ส่วนบุญกับท่านด้วยศรัทธาแท้ๆท่านเศรษฐีจึงกล่าวว่าเจ้าให้ด้วยศรัทธาถึงแม้ว่าเราก็บูชาความดีของเจ้าด้วยศรัทธาเราไม่ได้ซื้อส่วนบุญ <c oughs> เจ้าจงรับเอาไปเถิดพ่ออันหนึ่งจงจําไว้ว่าจําเดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจะได้ทําการงานใดๆด้วยมือของตนเองเลยจงปลูกเรือนอยู่ที่ริมถนนนั้นเถิดแล้วก็จงถือเอาวัตถุทุกอย่างที่เจ้าต้องการในบ้านของเราเอาไปใช้ได้ตามอัธยาศัย นี่บุญที่พระประเจกกับพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็คนใส่บาตรในวันนั้นมีผลในปัจจุบันแบบนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าก็บิณฑบาตที่บุคคลถวายแก่ท่านผู้ออกจากนิโรธสมาบัติเท่านี้หมายความว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีอรรคสาวกก็ดีพระสาวกก็ดีหรือว่าพระประเจกพุทธเจ้าก็ดี ย่อมให้ผลในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วจึงรับสั่งเรียกให้อนัภาระเข้ามาเฝ้าแล้วก็ทรงรับคุณบุญพระราชาก็ทรงประทานโภคะมากมายทรัพย์สินมากมายได้ก็รับสั่งให้พระเยธานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาเอาคนแล้ว นี่เป็นคนรับใช้อยู่ยกๆกลับเป็นเศรษฐีซะอีกทีฉะนั้นว่าพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินิรันดรหาได้ยากแต่ทราบว่าผลอันนี้จะต้องมีแก่บุคคลผู้ให้ทานถวายทานในขณะนั้นแต่คนเดียวไม่ใช่เฉยว่าจะไปรวมๆกันรักษาเป็นร้อยรายพันรายแต่ท่านรวมที่พากันถวายร้อยรายเป็นรายก็ย่อมมีผลแต่หย่อนไปหน่อยนึง คือว่าจะมีความเป็นอยู่ไม่ฝืดเคืองจะมีอาการดีขึ้นจะมีการคล่องตัวดีกว่าเดิมตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบประวัติพระอนุทรต่อไปสําหรับท่านอนัภาระนั้นได้เป็นสหายของท่านสุมนเสถีนั้นว่าอนัภาระก็เป็นเศรษฐีท่านสุมนเสถีเป็นสิถีเก่าผู้เป็นนาย คนนี้เป็นเศรษฐีใหม่มาจากตําแหน่งแห่งคนรับใช้ต่างคนต่างก็ไปสหายกันคือท่านเศรษฐีเดิมไม่ได้มีมานะทิฐิถือว่าเจ้าคนนี้เคยเป็นขี้ฆ่าของเรามันจะมีฐานะขึ้นมาเป็นประการใดมันก็เป็นขี้ฆ่าเราถ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นใจท่านดีอยู่แล้วท่านเป็นคนมีจิตประกอบปฏิบัติกุศลหากินด้วยความสุจริตไม่ได้คดไม่ได้โกงใคร เป็นอนุวัศ 2 เศรษฐีทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตเป็นอมตะคนต่างทำบุญกันใหญ่เป็นคู่บุญบารมีกันนี้ประวัตินี้ความจริงจะเล่าเฉพาะประวัติพระนฤุทธเท่านั้นแต่เห็นว่าทั้งเปเป 2 ท่านเป็นคู่บุญบารมีกันเหตุผลมาจากโมทนาในส่วนส่วนสนและผลก็น่าจะบันดาลให้เป็นอรหันต์ในระยะเดียวกันจึงขอนำเรื่องนี้เรื่องราว พระสูตรนี้มันเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจนกว่าจะจบสูตรเมื่อทั้ง 2 ท่านจางเจ้าต่างคนต่างจุติคือตายจากตะภพนั้นแล้วท่านก็ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกชิงการนานหมายความว่าไม่ยอมลงนรก เป็นเทวดาบ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างสลับกันมาสลับกันไปสำหรับในเวลาปัจจุบันนี้คือในเวลาที่องค์สมเด็จพระชินสีสุวรรณนามอภัสสมานะโคดมโซมิคูดเทรก็ถือปริสนธิในตำหนักของพระเจ้าสักยะมีนามว่าอมิโตทนะนี่สำหรับอนัปพาระธานัปพาระเศรษฐี เรียกว่าธนภาระคนรับใช้ของสุวรรณเสถีมาเป็นญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นลูกของอ่าของพระพุทธเจ้ามาเกิดในเป็นลูกของท่านอะมิโตธนะในสุงกบินพัตซึ่งเป็นพระวยญาติทั้งหลายบรรดาพระวยญาติทั้งหลายทรงตั้งฉนานพระนามแก่พระภูมานนั้นว่าอนุรุทธะ <c oughs> ตามที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐมอุตตระทรงพยากรในชื่อนี่มาได้ก็ตรงนี้กุมารนั่นท่านก็เป็นพระกนิตธปาดาของพระเจ้ามหานามสักยะหมายความมีพี่ชายชื่อว่าทัจจมหานามตัวท่านเป็นน้องมีนามว่าอนุรุทธก็เป็นโอรสของพระเจ้าอ่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เป็นผู้สุขุมารชาติอย่างยิ่งสุขุมารชาติและสุขุมหมายความว่าเป็นคนมีชาติสูงมีตระกูลสูงมีบุญมากในเมื่อมีบุญญาธิการมากมีเป็นสุขุมารชายจะหมายความหาความลําบากไม่ได้ได้ยินว่าในวันหนึ่งเมื่อกษัตริย์ทั้ง 6 6 องค์เล่นครบเอาขนมมาแกะ คะแนนกันกษัตริย์ 6 องค์นี้ใครบ้างก็ไม่ทราบในบาลีธรรมเนียมบอกแต่ในประวัติดูมันก็จะบอกแต่ที่ที่นี้ไม่บอกก็เลยไม่นํามามาเล่าสู่กันฟังว่าท่านชื่ออะไรบ้างเวลาเล่นกับกันก็เอาขนมมาทําเป็นคะแนนกันไหนความว่าถ้าใครแพ้ก็ต้องจ่ายขนมไม่ใช่จ่ายเท่าไหร่เงิน เออหล่าที่เจ้าอนุรุธแพ้จึงได้ส่งข่าวไปยังสำนักของมารดาเพื่อต้องการขนมเอามาชำระหนี้กันคือมาเฉ่งปีแคทที่เสียครบสําหรับมารดานั้นเอาพระชนะทองคําใบใหญ่บรรจุให้เต็มด้วยขนมแล้วก็ส่งไปให้เจ้าอนุรุธเสวยขนมนั้นแล้วก็ส่งเล่นแล้วก็พาอีก ใครก็ส่งข่าวมาขอขนมแม่อีกเป็นอันก็ว่ากันอย่างนั้นตลอดมาเมื่อคนนําขนมมาแล้วทั้ง 3 ครั้งแพ้ก็ 3 หนขอขนมแม่คร 3 ครั้งครั้งที่ 4 พระมารดาก็ส่งข่าวมาว่าเวลานี้ขนมหมดซะแล้วไม่บอกว่าขนมหมดว่าเวลานี้ขนมไม่มีเอาดิ เอ่อนโรก็บอกว่าท่านรุษฟังคําว่ามัณฑนาได้กล่าวแล้วว่าขนมไม่มีก็เกิดมีความรู้สึกว่าไอ้ขนมนี่มันชื่อว่าขนมไม่มีนี่ฆัมมธันเดิมว่าคําว่าไม่มีจึงหย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าไม่พบน้อยและพบใหญ่ทุกชาติแหมฆัมมธันมาตั้งแสงกับ ใช้กลับนี่มาเยอะแสนชาติกลับนึงอาจจะเกิดหลายหลายชาติหลายๆครั้งท่านก็เกิดมีความรู้สึกว่าแม่บอกว่าขนมอื่นน่ะไม่มีหรอกมีแต่คําว่ามีแต่ขนมไม่มีขนมที่ชื่อว่าไม่มีนี่จักมีในบัดนี้แล้วเอ้าสิจะเล่นขนมไม่มีซะแล้วเป็นยังไงฟังกันต่อไป ส่วนความที่ท่านกล่าวก็อธิษฐานไว้ในใจก่อนว่าคําว่าไม่มีจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเวลานั้นท่านรุจแจงบอกแก่คนใช้ไปบอกว่านี่บอกว่าเธอไปบอกกับแม่ฉันนะว่าเจ้าส่งขนมไม่มีมาให้ฉันฉันจะกินขนมไม่มีกว่าจริงขนมไม่มีเนี่ยแม่ไม่เคยทําเลี้ยงฉันเลยอ่ะ เคยมีแต่ขนมอย่างอื่นชื่อว่าขนมไม่มีฉันไม่เคยพบมีล่อกับคนประเภทนี้เค้าก็ลําบากไม่คันท่านแม่ก็คงจะกลุ้มมีเวลานั้นปรากฏว่าคนใช้ก็มาบอกมารดาพระมารดาของพระนฤทธิ์เมื่อคนใช้รับสั่งมากราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าชายนฤทธิ์ต้องการจะกินขนมแต่จะเสวยขนมไม่มีขอทรัพย์แม่เจ้าจงส่งขนมไม่มีไปให้ แต่มนดาจึงได้คิดว่าคําว่าไม่มีนี่มดของเราไม่เคยได้ฟังมาแล้วในการก่อนเมื่อเธอต้องการอะไรมันก็มีเสียทุกอย่างฉะนั้นเราบอกว่าขนมไม่มีเธอก็จึงได้คิดว่าขนมชื่อชื่อว่าไม่มีมันปรากฏอยู่สําหรับวันนี้เราจะต้องให้ลูกชายของเรารู้ว่าไอ้คําว่าไม่มีนั้นมันปรากฏอยู่ในชาตินี้ ไม่ใช่ว่าต้องการอะไรแล้วจะได้ทุกอย่างได้สงกรานต์ปรารถนาทุกประการจึงจะหาวิธีการให้ลูกชายเข้าใจว่าธรรมะมันไม่มีมันเป็นยังไงถ้าจึงได้อัฐถาดทองคําวางไว้ลูกหนึ่งเป็นถาดทองคําเปล่าแล้วก็อัฐถาดทองคํามีลูกหนึ่งปิดไว้ข้างบนแล้วก็ให้คนชายรับไปบอกพ่อจงเอาไปเถอะ เจ้าจะจงนำถาดทองคํานี้ไปให้แก่ลูกชายของเรานี่ท่านมารดาท่านก็ยิ้มยิ้มในใจเพราะคราวนี้น่ะลูกชายของเราจะพบกับขนมไม่มีจะได้รู้ว่าไอ้คําว่าไม่มีมันมีอยู่เธอเป็นลูกเจ้าลูกนายมีทรัพย์มีสินมากต้องการอะไรก็ได้ไม่รู้จักความจนถ้าขึ้นชื่อว่าเศรษฐีก็ยังรู้จักการขัดใฝ่ชั้นใดฉะนั้น การที่ขนมไม่มีสําหรับฐานะแห่งความเป็นเจ้าหรือคอมมาไม่มีในฐานะแห่งความเป็นเจ้ามันก็มีเช่นนั้นก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรซะทุกอย่างเป็นตอนนี้ชักยุ่งแล้วเพราะว่าธรรมอดิฐานในการถวายสงฆทานเป็นสําคัญตามพระมารีทั้งกล่าวว่าในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายพุรสสานครคิดว่าเจ้าอนุรุทธ ผู้เป็นเจ้าของพวกเราก็ถือเป็นเจ้าเหมือนกันเทวดาก็ยอมรับรับถือเพราะความดีเดิมท่านอธิษฐานมาดีท่านทําบุญมาดีได้ถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระเกจิกับพระพุทธเจ้ามีนามว่าอุปริทธะแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราไม่พึงได้ฟังบทว่าไม่มี เล่าเราไม่มีต่อจากนี้ไปเราจะไม่ได้ยินคําว่าไม่มีในการแห่งตนเกิดเป็นคนขนญาติชื่อว่าอนภาระนิพพานเทวดาเค้าจําได้พระเยิญเทวดาทําไมลืมอารมณ์ท่านเป็นทิพย์รู้หมดนี่ถ้าหากว่าเราทราบความนั้นแล้วแล้วก็ทําเฉยเสีย <c oughs> ไม่บันดาลขนมให้ปรากฏปล่อยให้คําว่าไม่มีปรากฏกับพระเนรุทธศีรษะของพวกเราจะต้องแตกเป็น 7 เสียงเพราะบุญบารมีเดิมของท่านด้วยความจริงศีรษะเทวดานี้น่าคงจะแตกไม่ได้เพราะมันเป็นศีรษะทิพย์หรือว่ากําลังบุญเป็นกําลังทิพย์ก็สามารถจะบันดาลให้ศีรษะเทวดาแตกได้อันนี้อาตมาไม่เข้าใจเหมือนกัน เป็นอนุวัยอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ถ้าให้คําว่าไม่มีปรากฏกับท่านรถพวกเราจะเกิดความไม่สบายใจถ้าคําวินิจฉัยนี้ผิดอาตมาก็ขอต้องขอประทานอภัยเพราะว่าไม่ใช่สัพพัญญุวิสัยก็ลองลองวินิจฉัยอยู่เท่านั้นเองจึงบางจุดถาดเป่าๆที่ท่านแม่ส่งมาให้เป 2 ลูกนั้นให้เต็มมาด้วยขนมทิพย์ เป็นอันว่าเทวดาต้องทําขนมให้ในขณะที่บุรุษนั้นนําไปในเมื่อชายบุคคลผู้รับใช้นําไปแล้วไปถวายไปวางไว้ในสํานักของเจ้าซักยะทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็เปิดออกกลิ่นของขนมทิพย์เหล่านั้นก็แผ่ซ่านไปทั่วพระนครโอ้โหกลิ่นระวิลภัทติมันก็ไม่แคเล็กไปกว้างใหญ่ไพศาลขนมได้แผ่ซ่านไปทั่วพระนครก็น่าคิด เมื่อณคละเมือขนมพอสักแต่ว่าอันเจ้าสักยะทั้งหลายเหล่านั้นโซ่วางไว้ในปากเท่านั้นในโอษฐ์เนี่ยโอษฐ์ก็ปากกลิ่นนั้นก็แพร่เข้าไปซ่านๆสําหรับซาบซางสู่ไปสู่เส้นสําหรับรับรถ 7,000 ต่างๆแล้วโอ้โหในบาลีถ้ามาอย่างนี้ฟังยาก แว้นันมาผว่าขนมแตะลิ้นเท่านั้นมันก็ซ่านไปทั่วประสาททั้งหมดอร่อยทั้งหอมทั้งอร่อยมันก็อ่อนลาจริงกําลังกินต่างคนต่างพากันหาอะไรอร่อยไปทั่วทั่วกันแปลกใจในรถขนมนั้นซึ่งไม่ปรากฏการมาก่อนบรรลุรถขนมแบบนี้เราไม่เคยได้เคยบริโภคมาฉะนั้นท่านอนุททะทรงดําริว่า <c oughs> ในกาลก่อนแต่นี้ประมาณใดไม่เห็นเห็นท่าจะไม่รักเราเอาพอแล้วนี่คิดแล้ววันนี้เวลาบันก่อนๆนะประมาณใดเห็นท่าจะไม่รักเราซะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าในเวลากังก่อนพระองค์ท่านก็ไม่เคยทอดขนมประเภทนี้ให้แก่เราฉลนทรัณรุทธนั้นกลับไปบ้านแล้วทูลถามพระมนดาอย่างนี้ว่า หาแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันไม่เป็นธิรักของพระแม่เจ้าหรือด้วยการใดเอานี่นี่เรื่องมันไปเป็นคนละเรื่องเสร็จแล้วแม่จะให้กินขนมอากาศแต่เทวดาย่องทําขนมทิพย์ไปให้ท่านลูกชายไม่เคยได้ขนมทิพย์มากินขนมทิพย์กว่าวันนี้แล้วก็คิดว่าแม่กีกันคล้องดี ไอ้ของดีๆอย่างนี้แม่ไม่เคยทําทําให้มันในการก่อนก็หาว่าแม่จะไม่รักฉะนั้นท่านพระมหาดาจึงกล่าวว่านี่พ่อนรุตพูดอะไรพ่อเจ้าเป็นที่รักของแม่แม้ว่าในตาทั้งสองหากว่าเจ้าต้องการแม่ก็พักให้ได้หรือว่าหัวใจของแม่ถ้าลูกต้องการแม่ก็พักให้ได้ทําไมแม่จะไม่รักลูกลูกถามแม่ในเรื่องนี้พ่อไหนสงสัยแบบไหนลูกลงว่ามา สำหรับท่านรุทธินิกล่าวกับพระมหาดาว่าพระแม่ข้าแท้พระแม่เจ้าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระองค์แล้วถ้าหากว่าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระแม่เจ้าก็เพราะเหตุใดไม่เวลากาลก่อนๆพระแม่เจ้าจึงไม่ได้ทําขนมที่มีชื่อว่าไม่มีเห็นปานนี้ประทานแก่หม่อมฉันล่ะ ไอ้ขนมนี่มีชื่อว่าไม่มีที่พระแม่ส่งไปในวันนี้พระแม่เจ้าส่งไปมันอร่อยจริงๆแล้วเมื่อวัยเงินก่อนทําไมพระแม่เจ้าไม่ทําให้ลูกกินบ้างเอาแล้วสร้างความยุ่งเออเมื่อพมณฑาได้ทรงสนับจึงถามลูกตนบ้างจึงถามคนรับใช้ว่าพ่อนี่ไอ้ในถาดนั่นน่ะมันมีอะไรอยู่หรือคนรับใช้จึงกราบทูลว่าพระแม่เจ้า ถาดที่พระแม่เจ้าวางไว้เฉยๆเป็นถาดเปล่าแล้วก็ข่าวถาดเปล่าปิดไปข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วก็เห็นแต่ดะว่าเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปวางถาดลงพอลูกเจ้าเปิดถาดขึ้นมาปรากฏว่ามีขนมเต็มกลิ่นหอมตลบไปหมดมีรสอร่อยต่างพระองค์เจ้าทั้ง 6 พระองค์ได้กันเมื่อเสวยแล้วต่างคนต่างชมเชยว่าขนมอย่างนี้ไม่เคยเสวยมาในกาลก่อน รถมันดีมากพระเจ้าค่ะแม่มารดาจึงได้ดำฤกว่าบุตรของเราได้ทําบุญไว้ดีแล้วขนมทิพย์จะเป็นของอันติวาดาทั้งหลายท่านบันดาลให้ปรากฏขึ้นแก่บุตรของเราเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วแม่เจ้าอนุรุทธก็ทูลถามพระมารดาต่อไปว่าข้าแต่พระแม่เจ้า ขนมเช่นนี้น่ะหม่อมฉันไม่เคยกินมาเลยในกาลก่อนพระองค์ก็พึงทอดเฉพาะขนมไม่มีแต่ในวันนี้เท่านั้นหม่อมฉันได้สงสัยว่าพระแม่เจ้าทําไมเมื่อวันก่อนพระแม่เจ้าจึงไม่ทําขนมไม่มีให้กับหม่อมฉันสนุกกันใหญ่เตรียมเดิมแต่นั้นมาพระมารดาก็ส่งล้างล้างถาดให้สะอาดแล้วคือล้างถาดทองคํา ในเวลาที่ลูกต้องการจะกินขนมหรือเสวยขนมแล้วก็ปิดบริธาตทองคํามีลูกหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ในเวลาที่ท่านอนุรุทธก็ถูกกล่าวกลับว่าหม่อมฉันมีความมีความประสงค์จะบริโภคขนมบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายก็จะต้องเลยเทวดาทําขนมเรื่อยไปกุมารนั้นเมื่ออยู่ในถ้ํากลางในเวลากลางวัน ก็ไม่ได้สารในความแห่งบทเป็นอันว่าพระอนุรุทธในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยปรากฏเลยว่าคําว่าไม่มีต้องการอะไรก็มีได้กันทั้งหมดนี่เป็นผลบุญที่ท่านได้มาเพ็ญไว้แล้วโดยดีในพระประจิงของพระพุทธเจ้าเฉพาะแต่ว่าตั้งอธิษฐานบารมีไว้เช่นนั้นนั้นเรื่องอธิษฐานบารมีนี้บรรดาท่านพระพุทธบริษัตรทุกท่านจงถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง แต่ว่าไม่มีความสําคัญแล้วองค์สมเด็จพระปฐพีแก้วคือพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่จัดอธิษฐานบารมีไว้ในบารมี 10